เพราะผู้ที่เขาจะตรัสรู้ตามเนี่ยพอมีอยู่บุคคลผู้มีวาสนามีอุปนิสัยที่จะตรัสรู้ตามเมื่อเขาไม่ได้ฟังเขาก็ถือว่าอะไรพลาดโอกาสใช่ไหมไปเถอะเพื่อเหมือนกับว่าสงเคราะห์เขานะไปเพื่อสงเคราะห์โลกไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายาจากตรงนั้นเนี่ยทำให้เห็นว่าการที่เราจะกําหนดจดจําพระสูตรควรจะกําหนดจดจําพระสูตรที่มีความไพเราะใน เบื้องต้นไพเราะใน่้มกลางไพเราะในที่สุดเป็นพระสูตรที่ประกาศพรหมจรรย์คือข้อปฏิบัติที่ประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตตะพร้อมทั้งพยัญชนะบางคนถ้าจะบอกว่าอาจจะเอาสักสูตรหนึ่งไปหาพระสูตรที่เรียกว่าไพเราะทั้งเบื้องต้นถ้มกลางและที่สุดหาพระสูตรอันนั้นเนี่ยนะกหนดจดจาเอาไว้ให้ดีและมนสิการใส่ใจตามอย่า ทรงจําเพียงแค่คําคมเนี่ยเป็นแค่คําคมเช่นเอาไว้คมเฉือนคมเอาไว้เฉือนเล่นๆเนี่ยนะเช่นว่าแม้แต่ธรรมเรายังให้ไม่ยึดถือจะกล่าวไปยายถึงอาธรรมเล่าก็หรือเอาจํามาแค่สั้นๆแม้แต่ธรรมเราก็ยังไม่สอนให้ยึดถือกลายเป็นว่าไม่ยึดแม้กระทั่งกุศลธรรมไอ้คำว่าไอ้คาว่ายึดเนี่ยยังไงก็ไม่เข้าใจอีกเหมือนกันนะเพียงแต่บอกเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจเรื่องการเจริญกุศล หรือจำบอกมันไม่เที่ยงก็คิดได้แต่คำเดียวคำไม่เที่ยงไอ้เบื้องต้นก่อนหน้านั้นคืออะไรหลังจากนั้นเนี่ยเป็นยังไงพูดให้มันเป็นอะไรก็ไม่มีความไม่มีความรู้ความเข้าใจก็พลาดอีกเหมือนกันแม้กระทั่งอู้มันเป็นทุกข์เนี่ยนะก็ต้องดูว่าเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดของการพูดคำนี้อยู่ที่ไหนมันเป็นอนัตตก็เหมือนกันสัพเพธรรมมาอนัตตาเบื้องต้นคืออะไรท่ามกลางคืออะไรแล้วที่สุดอยู่ที่ไหนเนี่ยนะ หรือบอกว่าทำทั้งปวงอย่ายึดมั่นถือมั่นหรือทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นคํานี้ก็ต้องรู้เหมือนกันว่าเบื้องต้นของคํำนี้คืออะไรท่ามกลางของธรำนี้คืออะไรที่สุดของธคำนี้คืออะไรเพราะผู้ที่เรียนถ้าทำมาดีเนี่ยก็ว่าแตะหัวก็รู้ปลายอย่างไรนะก็พูดต้นก็รู้แล้วว่าปลายจบลงที่ไหนอย่างพระอ น, นุเนะี่ยอายุพระอ น, นุนพระพุทธเจ้าตัดหนึ่งคำปั๊บพระอ น, นุรู้แล้วว่าจบลงที่ไหน หรือได้ยินแม้กระทั่งคําสุดท้ายท่านรู้เลยว่าเบื้องต้นควรจะมาจากตรงไหนหรือว่าคำนี้ตรงกลางนี่คืออะไรอย่างยกตัวอย่างคนที่เรียนพระธรรมมองศึกษาพระธรรมแบบวิสุทธิเจ็ดประการศีลวิสุทธิเพื่อประโยชน์แก่จิตตาวิสุทธิจิตตาวิสุทธิเพื่อประโยชน์แก่ทิฏฐิวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิเพื่อประโยชน์แก่กังขาวิตรณวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิเพื่อประโยชน์แก่ มคามาัคคยาณทัศ น, นวิสุทธิมคามาัคคยาณทัศ น, นวิสุทธิเพื่อประโยชน์แก่ปฏิปทายาณทัศนวิสุทธิปฏิปทายาณทัศ น, นวิสุท ธ, าา ธ, ธิก็เพื่อประโยชน์แก่ยาณทัศ น, นวิสุทธิถ้าพูดข้อสามเขารู้ไหมว่าหนึ่งสองคืออะไรสี่ห้าหต่อไปนี่คืออะไรเขารู้อย่างคนที่กําหนดจดจําอริยสัจทั้งสี่ข้อมาเป็นอย่างดี พูดทุกเขารู้แล้วว่าสมูทายนิโรธมรต่อไปควรจะเป็นอะไรถ้าพูดมรกเขารู้แล้วว่านิโรธสมูทายทุกคืออะไรมันถ้าพูดสลับพูดหนึ่งสสี่ก็ได้หรือพูด4 3 2ส 1, 1 2สองหนึ่งหนึ่งอสี่นนะหรือว่าหนึ่งสอนะ 4, 2, หรือว่าสลับไปสลับมาจะพลิกกี่ตลบเขาก็ไม่สับสนไม่สับสนหรือคน ท, ที่ทรงจำอริยมรตอันประกอบด้วยองคปจะพูดหนึ่งสองสา หรือว่าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหรือจะพูดหนึ่งสามห้าเจ็ดหรือว่าแปดหกสี่สองคือพูดวกไปวนมาจะพูดสลับกันยังไงก็ได้แล้วก็เข้าใจด้วยว่าคนพูดสับสนหรือว่าไม่สับสนเนี่ยนะเขาก็จะเข้าใจทั้งหมดเพราะอะไรเพราะเพราะว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมอันดีผู้ศึกษาพระธรรมนั้นจึงจะไม่สับสนเนี่ยนะจึงไม่สับสนเมื่อไม่สับสนนี่แหละ ชื่อว่าเรียนมาเป็นอย่างดีที่เรียกว่าไพร่ในเบื้องต้นท่ามกลางแล้วที่สุดเพราะการถือการปฏิบัตินั้นอ่ะควรถือพระธรรมที่ไพร่ทั้งเบื้องต้นไพร่ทั้งท่ามกลางไพร่ในที่สุดเป็นพระธรรมที่ประกาศอัฏฐพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิองอย่างบทที่เราสวดมนต์เนี่ยนะหรือสมัยพุทธกาลเลยเนี่ยนะสมัยพุทธกาลเนี่ย เวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปณนะที่ใดๆเนี่ยพระองค์จะมีกิตติสัพอันงามแผ่กระจายแผ่ฟุ้งไปแล้วกล่าวว่าชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าหอมฟุ้งไปเลยในสมัยนั้นเนี่ยนะขอให้จาริกไปไหนก็เถอะว่าตังโขปะนะพัควันตังเอวังกัลลยาโนกิตติสัทโธอปุกโตอิติปิโสพัควารหังสัมมาเนี่ยนะหรือว่าพระพุทธเจ้า ก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผ้าอรหันต์ไกลาจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะผู้ะนะผู้ไปแล้วด้วยดีผู้รู้โลกก่างแจมแจ้งผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึก อย่างไม่มีผู้ใดยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้านี่นะได้ตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามาพรมพร้อมทั้งหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณ พ, พราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเนี่ย แสดงธรรมที่ภัยราะในเบื้องต้นภัยราะในท่ามกลางภัยราะในที่สุดประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยนะเขารู้เลยตั้งหัวจนท้ายแล้วคืออะไรชื่อเสียงอันนี้เขาฟุ้งไปแล้วเขาเข้าใจว่าคําสอนพระพุทธเจ้าต้องมีเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมจะต้องเป็นคนที่รู้เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดถ้าไม่รู้เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด จะกําหนดไม่ได้ว่าสิ่งที่กําลังทําอยู่นี่มันอยู่ขั้นตอนตรงไหนเหมือนก็อ่านหนังสือต้องรู้ว่าตอนนี้อ่านถึงหน้าที่เท่าไหร่ก่อนหน้านี้มีกี่หน้าถัดจากนี้ต่อไปมีกี่หน้าหรืออ่านพระไตรปิฎกต้องรู้ว่าเล่มนี้เล่มที่เรากําลังอ่านเนี่ยเล่มที่เท่าไหร่ก่อนหน้านี้มีกี่เล่มหลังจากนี้ต่อไปมีกี่เล่มเนื้อหาของแต่ละเล่มมันเชื่อมโยงกันไหมเป็นต้นเนี่ยจะต้องหมั่นใส่ใจและกําหนดจดจําถามว่าจําเป็นต้องละเอียดละอออย่างนั้นไหม ก็ตั้งคำถามว่าเราพร้อมจะฝากชีวิตให้ใครไหมถ้าพร้อมที่จะฝากชีวิตให้ใครใครดีพุททางสารนังคัจฉามิไม่ใช่เหรือธรรมังสังขังสารนังคัจฉามิก็ดูว่าพระตนะตรายว่ายังไงก็ว่าตามนั้นพระองค์ว่ายากเราก็ต้องว่ายากตามพระองค์ว่าลึกซึ้งเราก็ต้องว่าลึกซึ้งตามพระพุทธพจน์เป็นเช่นใดก็เป็นเช่นนั้นแหละบอกว่าโอ้ยนี่มันเชื่อมากไปมั้งบอกไม่มากหรอก ถ้าเชื่อมากจริงๆก็ต้องเชื่อเท่าภาษารีบุตรแต่นี้มันไม่เท่าอ่ะมันไม่เท่าแสดงว่าเชื่อยังไม่มากเนี่ยนะถ้าเชื่อมากต้องเชื่อเหมือนภาษารีบุตรสิภาษารีบุตรเป็นผู้เลื่อมใสที่สุดในโลกในโลกนี้ในพุทธเขตเนี่ยในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าองค์นี้ไม่มีผู้ใดมีศรัทธาเลื่อมใสเท่ากับภาษาลีบุตรภาษารีบุตรเลื่อมใสมากที่สุดภาษารีบุตรท่านยังบอกว่าท่านไม่เกินเลยนะแต่ท่านบอกว่าท่านไม่รู้คุณพระพุทธเจ้าทั้งมวลโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้น ผู้ที่ใส่ใจศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนจึงมันศึกษาพุทธคุณเนี่ยนะวันทำหกที่ควรเจริญก็คือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจารานุสติเทวตานุสติอนุสติหกเนี่ยควรมาใส่ใจให้มากๆให้ดีๆเพราะอะไรเพราะประกันเรียกว่าอะไรนะประกันความเสี่ยงประกันความผิดพลาด ยิ่งกว่าประกันชีวิตเราประกันตนให้พ้นจากวัตถะนะเป็นเครื่องยืนยันและประกันตนว่าพ้นจากภัยอย่างแน่นอนเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะอนุสติหกมาใส่ใจดูแล้วเป็นไปตามพุทธานุสติทุกประการเป็นไปตามธรรมานุสติทุกประการเป็นไปตามสังขานุสติทุกประการเป็นไปตามสีลานุสติทุกประการจาขานุสติสุดท้ายเทวตานุสติ อย่าลืมว่าเทวตานุสติเนี่ยนะอันอันสุดท้ายนี่ก็ว่างไงรู้ไหมพร ะ, ะเทวดาชั้นอวิหาตับปาสุทธสาสุทสศีอกนิถาก็แปลว่าพระอนาคามีใช่ไหมพระอนาคามีในสุทธาวาสพระอนาคามีเหล่านั้นมีศรัทธาเช่นใดแม้เราก็มีศรัทธาเช่นนั้นกล้ พ, พูดอย่างนี้ไหมพรมคิดยังไงเราก็คิดอย่างนั้นเอายืนยันด้วยความคิดของเราเช่นกับพรมอ่ะ แม่งอายตัวเองเลยนะถ้าม้วนก็เรียกว่าเป็นนางอายไปเลยก็ไทยพิงก็อันนี้เรื่องมันยาวว่างั้นเถอะไม่เป็นไรก็ฝึกไปต่อไปแล้วกันแต่ว่าถ้าพูดโดยสรุปเนี่ยว่าอสําหรับผู้ที่เนี่ยผู้ที่เจริญเทวตานุสติเขาเปรียบเทียบเลยนะว่าเขาไล่ตั้งแต่เทวดาชั้นจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปรณิมมิตรวสวัสดีเนี่ยนะเช่นเทวดาชั้นจาตุมเนี่ยเอามาบอกเลยท้ามหาราชทั้งสี่เป็นพระโสดาบัน น้อมว่าเท้ามหาราชทั้งสี่ผู้เป็นพระโสดาบันมีศรัทธาศีลสุตะจากขะปัญญาเช่นใดแม้เราก็มีศรัทธาศินสุตะจากขะปัญญาเช่นนั้นเขาเจริญแบบนี้นะเรียกว่าเจริญเทวดานุสติเทวดาชันานนะาช้นดาวดึงเนี่ยนะเทวดาชั้นดาวดึงเขามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างใดเราก็มีศรัทธาอย่างนั้นเช่นเท้าสักกะผู้เป็นจอมเทพเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะ เทวดาองค์อื่นๆเป็นต้นอีกเยอะแยะที่เป็นพระสกทาคามีอยู่ด้วยในสวรรค์ชั้นดาวดึงน้อมได้เลยว่าเทวดาเหล่านั้นเขามีศรัทธาศีลสุตะจากขะปัญญาเช่นใดแม้เราเองก็มีศรัทธาศีลสุตะจากขะปัญญาเช่นนั้นเทวดาเหล่านั้นมีศรัทธาอย่างมั่นคงที่เรียกว่าอาจลระศรัทธาเช่นใดแม้เราก็มีอาจาระศรัทธาเช่นนั้นนะ เทวดาเหล่านั้นมีศีลประกอบด้วยศีลเช่นใดศีลที่ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุเป็นศีลที่เป็นไทยเป็นศีลที่อันตัญหาและทิฐิไม่อาศัยวินยูชนใครครวนและตำหนิไม่ได้แม้แต่คาเดียวแม้เราก็มีศีลเช่นนั้นเทวดาเหล่านั้นมีสุตะคือสุตะก็คือพุทธสาวกสุตะตัวนั้นแปลว่าสุตะก็คือสาวกคือผู้ฟังฟังก็คือสุตะ ผู้ที่ฟังแล้วทํากิจปรัสรู้อริยสัจรเราเองก็ฟังแล้วทากิจในการรู้อริยสัจเช่นนั้นอริยสาวกเหล่านั้นมีปัญญารู้อริยสัจ ร, รู้เหตุเกิดความดับของวัตตะและนะรู้เหตุเกิดของวัตตะความดับวัตตะเช่นใดแม้เราก็มีความรอบรู้เช่นนั้นอันนี้เรียกว่าเจริญอนุสติเพื่อประกันตนว่าการตรัสรู้ของเราไม่ผิดไม่ พลาดต้องต้องสำรวจแล้วก็ต้องตรวจสอบเนี่ยนะต้องสารวจตรวจสอบเพราะชีวิตของเราเนี่ยจะควรหรือที่จะปล่อยปละ ล, ละเลยใช่ควรหรือที่จะแบบไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายกินดืม่มเที่ยวเล่นไปวันๆหนึ่งถ้าอย่างนี้ก็นะก็ควรแก่การกรุณาที่สุดแล้วละแต่ทีนี้ในขณะผู้ที่ฝักใฝ่เพื่อความพ้นทุกข์จึงใส่ใจโดยแยบคายมานาสิการมพิจารณาไครครวนให ละเอียดรอบคอบเนี่ยนะความรอบคอบที่เรียกว่าสุขมุมหรือการวิใจัยใครครวญอย่างถี่ถ่วนเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้การเจริญอนุสติเนี่ยเป็นเครื่องยืนยันรับรองและรับประกันไล่ไปอีกแม้กระทั่งเท ว, วดาชั้นยามาดูสิตชั้นดุสิตไม่มีใครอยู่อนนัถปินทิกาเศรษฐีเป็นต้นหมอชีวกเนี่ยนะอยู่ดุสิตท่านเหล่านั้นเป็นพระเรียเจ้ายืนยันได้ไหมว่าเราก็มีศรัทธาเช่นกับพระอริยะเหล่านั้น รับรองได้ไหมหรือแนวโน้มของเราเนี่ยในที่สุดเราต้องมีศรัทธาเช่นนั้นหรือเทวดาชั้นนิมมานารดีคือใครนางวิสาขานางวิสาขามีศรัทธาเช่นใดแม้เราก็มีเช่นนั้นหรือปรนิมมิตาวสวัตตีเทวดาที่เป็นพระอริยอื่นๆ อ, อ, อีกเทวดาที่นับเนื่องในหมู่พรมเนี่ยนะแต่ตั้งแต่ว่าพรมปฐมฌานภูมิปริสัชชาปโรหิตามหาพรห ม, มาเนี่ยนะ ปริตตาภาอัปมานาภาอภัสราปริตตสุภาอัปมานัสุภาแล้วก็สุภกินหาเวหผลาอันนั้นอวิหะอตตาปาสุทสาสุาสาสาาทศีอกนิฐาเทวดาเหล่านั้นเขาประกอบไปด้วยศรัทธาศีลสุตะจากขะปัญญาเช่นใดแม้เราก็เป็นเชน่นนั้นเนี่ยนะการเจริญเทวดานุสติไม่ใช่อ้อนวอนเทวดาแต่เอาเทวดาที่เป็นพระอริยะเหล่านั้นเป็นเป็นพยานในการ ตรัสรู้ธรรมผู้ที่เจริญอนุสติในลักษณะนี้ได้ก็แปลว่าสิ่งที่เราตรัสรู้แม้ไม่น่าพลาดหรือเปอร์เซนต์พลาดเนี่ยน้อยเต็มทีเพราะอะไรเพราะถ้าพลาดแล้วเรื่องมันยาวเนี่ยนะถ้าพลาดจากการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าเรื่องเรื่องยาวใช่มแม้แต่ว่าไปเกิดในพรหมโลกชั้นเนวสัญญาณาสัญญายาณะอายุยืน 84% ี่พันกับ พระพุทธเจ้าก็ยังไม่สรรเสริญพระองค์บอกว่าเสื่อมใหญ่โอ้ยเสื่อมจริงๆเสื่อมมากพลาดมากถ้าเขาไม่รีบตายซะก่อนนะเขาจะบรรลุเป็นเป็นอะไรเป็นพระอริยะเพราะเขาเป็นผู้บริสุทธิ์มานานหลายคนเนี่ยพระองค์บอกแหมน่าเสียดายคล้ายๆพูดคำเนี่ยนะแต่ไม่ให้พระองค์โทสะหรือตันหาเป็นต้นนหนมาเขาหน้าเสียดายอย่างเช่นพระเจ้ า, าชาติศัตรูถ้าไม่ฆ่าพ่อก็จะได้ตรัสรู้อยู่แล้วบางคนนะ รอนั่งฟังต่ออีกหน่อยหนึ่งก็จะได้ตรัสรู้แล้วของเราก็เหมือนกันถ้าเราละเอียดทีท่วนอาจจะตรัสรู้ใครจะรู้ได้ทําไมเราต้องดูถูกตัวเองเนี่ยนะใครจะรู้ว่าเราก็เป็นผู้ที่สั่งสมบุญเขาบอกว่าคนสมัยพุทธกาลก็ไม่ได้แบบเป็นนางสวรรค์อะไรมาทั้งนั้นหรอกไม่ใช่หรอกบางคนอาชีพเทอุจระจริงๆเลยเนี่ยนะอาชีพเทอุจระก็เป็นพระอรหันต์ไดอ้อาชีพโสเพณีตอนหลังก็เป็นพระอรหันต์ได้ อาชีพคนเกี่ยวยากคนทำไร่ไถนาคนคนะ้าขายพ่อค้าเป็นเรียกว่าทุกชาติชั้นวรณนะตรัสรู้ได้หมดเนี่ยนะโดยแม้กระทั่งทาสีทาสและกรรมกรเขาก็ตรัสรู้จนถึงพระราชามาคสัตว์เขาเขาตรัสรู้ได้ทั้งนั้นแหละเนี่ยนะของเราก็เหมือนกันถ้าเรามีใจเหมือนนเถอะมีใจมีศรัทธาในสิ่งเดียวกันเราก็ต้องสามารถที่จะตรัสรู้ใน สิ่งเดียวกันทีนี้ที่มันเราตรัสรู้ไม่ได้ก็เพราะอะไรก็เพราะเราไม่น้อมไปเพื่อตรัสรู้ในสิ่งเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อวาควังรู้ได้ยังไงว่าไม่น้อมไปก็ดูว่าใจแต่ละขณะคิดถึงคําสอนเท่าไหร่ใส่ใจในคําสอนเท่าไหร่คําสอนที่เราใส่ใจเนี่ยเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเป็นอย่างไรน้อมไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อปรินิพานเช่นกับที่ พระพุทธเจ้าแนะนำอยู่หรือสำรวจตรวจตรามนสิการสายใจเอาไว้ให้มากๆจะได้ไม่ผิด